เข้าใจแล้วถือเอาสันติภาพของโลกมันเกิดจากเอกภาพของศาสนาเป็นหลักโลกไม่อาจประสบสันติสุขได้ด้วยศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวครับทุกๆศาสนาต้องประสานร่วมมือไม่เพียงแต่มีท่าทีประสานร่วมมือเท่านั้นแต่ต้องจับกันในศาสนาตัวว่าเหมือนของอืยนอยู่อย่างไรด้วยครับอย่างแท้จริงด้วยครับสมดังที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าเอกังหิ สัจจังทุติยมมัติสัจจะนุเพียงอันเดียวเท่านั้นสัจจะสองสัจจะไม่มีถ้าว่ามีสัจจะของชาวคลิปด้วยสัจจะงชาวพุทธด้วยสงสัยว่าทั้งคู่จะไม่จริงทั้งคู่จะแล้วครับในฐานะที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสถาคจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามนะสิ่งสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วนะครับท่านยืนยันนะวไม่เกี่ยวกับท่านทั้นสัจจะของธรรมชาติต้องเป็นอันเดียวนะไม่ว่าไม่ว่าอยู่ในรูปของ ทัพปฏิยาตาหรือสัจธรรมหรือพระองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรสุดแท้นะฮะเราไม่ควรตั้งแย่ว่าคุณพูดเรื่อพระเจ้าไม่เข้าเรื่องไมในของเร า, าพระผู้สร้างมีที่ไหนถ้าอาจารย์ไม่เคยทาอย่างนั้นฮนะงานหมดนี้ยังรอเวลาผู้ที่สืบสารนะครับซึ่งจะเป็นอุปการะคุณมากที่เดียครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมีพวกบาดหลวงจํานวนหนึ่งใส่ใจงานท่านมากโดยบรรยากาศ รวมของโลกนะครับเขาคิดไม่ไม่ใช่น้อยที่หันมาเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนานําวิธีการที่พี่เจ้าสอนอาณาปานะที่พี่สอนเราอยากตัวนะครับว่าเขาขโมยของเรายิ่งขโม ย, ยิ่งดีครับช่วยมนุษย์เข้าถึงความจริงอันเดียวกันช่วยเขาคนทุกยิ่งดีใหญ่เลยแม้แต่การเขายืมโมหันจากพระไตรปิฎกไปแปลผมยิ่งผมดีใหญ่เลยครับซึ่งมีนักวิชาการของพุทธลังเกียรตและโกรธแค้นยิ่งมากว่ายืมศัพท์ของพุทธ คำว่าลาคะโทตะไปใช้ทําไมในกัมีนั้นเราจะหวงไหมทำไมครับของดีก็ต้องแจกจ่ายงานบทที่สามนะครับคือการต้านวัตถุนิยมนี่ยอาจารย์นิ่งล่นโรงมากครับแต่ในช่วงนั้นท่านเลือกใช้คําว่าวัตถุนิยมต่างจากความหมายคําว่าวัตถุนิยามครับวัตถุนิยามของมาร์กครับแต่สมัยโน้นคําว่าบริโภคนิยมนี่ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับรู้กันเดี๋ยวนี้ วัตถุนิยมของท่านอาจารย์นั้นผมตีความเองว่าคือบริโภคนิยมนั่นเองครับแต่สมัย น, นั้นความบริโพนิยมยังไม่เข้าสู่คลองของความรับรู้ของคนไทยการมุ่งแสวงหาวัตถุไม่รู้จักพอเกินมาไปเกินมาไปอิ่มไม่ต้องคิดไม่รู้จักอิ่มใช้วัสดุวัตถุสิ้นเปลืองได้รับความพึงใจน้อยนิดซึ่งเป็นสิ่งอีสวนทางกับวนทางของบัพชนของเราครั้งอดีตที่ฉลาดในการใช้วัตดุแต่น้อยนิด แต่ได้รับความพึงใจสูงนะฮะผงนึกออกนะครับด้ามปลิดด้ามขวาเนี่ยเขาแกะสวยงามเพื่อผลด้านจิตใจเขาล้างผลาญทรัพยากรน้อยแต่ได้รับความสุขทางใจสูงในขณะที่บรรยากาศทั่วไปของประเทศเราเดี๋ยวนี้เราล้างผลาญมากเราซื้อนี้จะหยุดท้างสับพสินค้าได้กลายเป็นโบสถของเราครับเสาวที่คนออกันเป็นพันๆงินยะแต่ได้รับความพอใจน้อย งานสามด้านนี้นะครับผมคิดว่ายังรอเวลาอยู่สิ่งที่ผู้ถามถามเมื่อกี้ที่ว่าท่านอธิบายการสู่วิชาการต่างๆนั่นเองคือฐานที่จะงอกงามขึ้นสูดอกผลในวันหน้าครับที่ทํทำให้เราเข้าใจทินทีนะครับว่าเราต้องเกี่ยวข้องวัตถุอย่างไรอย่างชาญฉลาดและอย่างอนุรักษ์และก็อย่างที่ทำให้ภูมิปัญญาของมนุษย์พวยพุ่งขึ้นไม่จะทให้ขึ้น ส่วนคริสต์ฟุดนั้นหรือศาสนาอื่นมุสลิมนั้นผมคิดว่ามันเป็ น, นิมิต ท, ที่ดีมากเนื่องจากช่วงนี้เรามีบรรยากาศที่ค่อนข้างถึงเครียดในเรื่องการเผาโรงเรียนนะครับผมจะโยงนิดเห็นก็พูดทางทีวีแล้วอยากจะพูดบ้างครับเพราะผมเกิดในหมู่บ้านมุสลิมและผมรู้มุสลิมเป็นศาสนิกที่ที่เป็นผู้ดีที่สุดแต่บรรยากาศทั้งหมดนะครับทําให้เรามองมุสลิมนี่เลวร้ายทั้งสิ้นเลย ผมเคยใช้ชีวิตร่วมกับชาวมุสลิมนะมีญาติพี่น้องมันมุสลิมเยอะทีเดียวครั้งอดีตเมื่อสามทศวรรษสี่แล้วที่แล้วนะครับพุทธกับมุสลิมเนี่ยตรมคกืนเป็นที่สุดเลยครับวัวหน้ามุสลิมวัวหน้าสุลลานั้นนะครับชาวมุสลิมนั้นสันทัดในการจับปลาออกทะเลเขาไม่มีศีลข้อปานาเหมือนของพุทธชาวพุทธถนักสูกข้าวแล้วก็สุลร์กบฏก็เพื่อ ม, มันอยู่ชาวมุสลิมหาปลาแล้วเอาไปถวายวัดผมเห็นกตาเลยครับ แกเงินว่าวันด้านก็ถวายแล้วไปนั่งพนมมือด้วยตอนผมไป น, นั่งบวชอยู่ชาวมุสลิมมา น, นั่งฟังเทศครับเรื่องหน้าเศร้าสลดในยุคอัศวินพยองในบ้านเมืองเราครับที่เราเผาปอนเนาะของชาวมุสลิมเนี่ยไปเม่รู้สกกี่โล ง, งพื่อจะคมขีให้ให้สยบแต่เราไปสร้างพุทธรูปองค์โมหีมาที่เขากรงในหมู่บ้านมุสลิมครับเราไม่แยแสคนมุสลิเราไม่แยกแสศาสนาอื่นในสุด วิกตการถาวรเรื่องโจรแบ่งแยกแดงก็ติดตามมานั่นเป็นผลนพวงรัฐบาลครับผลพวงการทําผิดของผู้ที่หน่นอานาจรัฐในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นไม่มีครับชาวมุสลิมในพูดในดีมัตายเราจะเข้าจังหวัดสงขลาครับเขาบวชเป็นพระให้แม่แล้วเข้าเสร็จไปแล้วเขา้าที่เหล่าให้พ่อคือเขาเข้าใจเป็นทุน ท, ทั้งมุสลิมเลยเป็นกรุ๊ปดุลลามันนะครับสร้างวัด ที่กลันตันวัดหนึ่งท่านแน่เพราะมารดาของตุนกูดูลามานันประธานมุสลิมโลกเั่นนะอดีตเนี้ยมันตายแล้วใช่ไหมฮะแม่เขาเป็นพุทธพอเขเป็นมุสลิมวิกฤตการณ์ทางใต้นี่เกิดจากการหลงอำนาจในช่วงอัศวินพยองครับผมยืนยันได้เพราะตอนนั้นผมผมอยู่ทันประยมแล้วจําได้ว่ามีการทวงทะเลฮายีสุลงเพื่อบงังคับาไปยอมรับว่าเป็นกบฏ ฆ่าเขาด้วยไม้ค้ำคองในน้ําเพื่ออตาเพื่อขู่ให้ชาวมุสลิมเกลียดต้กลัวครับแต่ผลที่สุดไม่ได้ผลเกิดผลร้ายทั้งสิ้นครับผมออกนอกเรื่องไปหน่อยนะฮะอยากจะพูดบ้างครับแบ่งห้องพูดเกี่ยวเรื่องศุนย์ตาน่าไม่คือคือคือเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์ของเรา ครับเป็นคำถามที่แสดงความเอื้ออะทอนนะครับเมื่อแสดงคุณเป็นหโวเองนั้นอยากให้อนุชนุนหลังได้รับทราบข่าวสารแล้วได้ได้มีประโยชน์คงไม่หวังเพียงในประกาศกิจ ค, คุณของท่านอาจารย์เองหรือชื่อเสียงส่วนโม่กิจคุณชื่อเสียงนั้นก็จบแล้วครับคือท่านท่านก็ได้รับแล้วแล้วก็ท่านก็เป็นท่านนะครับความมุ่งใยนี้เองที่เป็นเหตุให้ถามขึ้นแล้วก็น่าไขขวนกั น, นครับ ผมจะตั้งข้อสังเกตขึ้นก่อนนะครับแนวคําสอนท่านอาจารย์นั้นประสบความเห็จในลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ประสบความเร็ุรในอีกลักษณะหนึ่งประสบความเห็จในเขตหนึ่งภูมิภาคหนึ่งของโลกแต่อาจจะไม่แพร่หลายไปสู่อีกภูมิภาคหนึ่งผลนั้นเรามาพิจารณากันดูนะครับว่าทั้งคนตกนะครับพระพุทธศาสนาเคยแพร่เข้าไปอย่างในเยอรม น, นีเมื่อสองร้อยปีที่แล้ว ทำให้เกิดนักปราศซึ่งได้ความรู้จากพระยานของผู้เจ้านําไปประดิษฐ์คิปค้นต่อจงมีชื่อมีเสียงไม่ว่าเป็นคนนั้นคนนี้หลายคนีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่มหาลัยไฮเดนเบร์กนักปราศที่ลิวลั้นเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลคำสอนของพู้เจ้าไม่ว่าเป็นแบกซองก็ดีคันก็ดีอนี้เขาสารภาพไปด้วยนะดันั้นคอธิบายพุทธธรรมนั้นเป็นบรรยากาศรองรับอยู่โดยเฉพาะในเยอรมัน เขาที่ประสบการณ์ในต่างประเทศผมมีนะั้นงานท่านอาจารย์ประสบความสำเร็จไม่มากในต่างประเทศเนื่องจากต่างประเทศนั้นเขาต้องการปรัชญาต้องการอธิบายคุณค่าส่วนที่ท่านอาจารย์ท่านพูดอยู่นี้ซึ่งท่านเองก็ติงเสมอนะครับใครไปอธิบายเป็นให้เป็นปรัชญาไปทัานบอกมไม่ใช่คำพะไอ้นั่นเปนเรื่องคิดๆกันเท่านั้นเองแล้วบางทีนักปรัชญาบางคนลองไปคุยท่านท่านถามว่า เมื่อไหร่คุณปฏิบัติปรัชญาคุณจะดีจะนั่งคิดนอนคิดปรัชญาอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งเป็นเพียงข้อสังเกตเขาอาจจะพลาดได้ครับที่ผมเอ่ยถึงความไม่สําเร็จบางด้านของท่านนะครับที่คุณเปงหัวเป็นห่วงนั่นเองคือทายาทแต่ผมคิดว่าเราไม่วควรคิดถึงทายาทสายตรงมากไหมนะนะครับทายาทสายตรงหมายว่าผู้ที่เติบโตภายใต้อ้อมอกของท่านนี่นะฮะ แล้วเราไม่วควรหวังที่ให้คนคนนั้นมาแทนท่านด้วยครับถ้าคนคนนั้นเกิดแทนท่านได้ผมว่าเกิดสับสนยิ่งขึ้ น, นผมคิดว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ท่านหว่านไว้นั้นในช่วงของตัวอักษรนะฮะมันมีบางช่วงเท่านั้นนะครับที่มีการสืบทอดที่รับลูกกันอย่างเหมาะสม อ, อย่างสมัยพุทธกาลนะครับหลังพระเจ้าร่วงรับแล้ว อาศัยความทรงจํามันดีเลิศของพระอาหนนองค์เที่พระอาหนนมีบทบาสูงมากในพุทธศาสนานะีมีอุปการะคุณมโหฬารเลยครับปราศจากพระอานนแล้วนี่พระวัจนะทั้งหมดอาจจะสาบสูญได้ครับตอนนั้นพรงมหากษัตริ์ที่เจ้าอาศรก็ดีหรืออาชะแม่ชาติสตูเองก็ดีนะที่ให้อุปถัมภ์การสังคยนาเหล่านั้นแล้วด้วยกรรมวิธีอัญฉลาดิเ ล, ลียวฉลาดที่เรียกวุกปาถะท่องปากเปล่าถ่ายทอดมาจนถึงมือของเราในทุกวันนี้นะครับ สำหรับงานสวนโมกนะครับผมคิดว่าปฏิ ป, ปอันนั้นถูกยื่นมาถึงมือหลายหลายคนแล้วคนที่เข้าไปในภูเขาอาจจะไม่ได้เห็นรูปภูเขาอีกเลยนะครับอาจจะได้รับความร่มเย็นจากภูเขาแต่เมื่อเดินห่างภูเขาออมาจะมีเห็นรูปทรงของภูเขาเห็นขอบเขตของภูเขาได้คนที่อยู่ใกล้ชิดท่านเกินไปอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้นะฮะอันนี้มันข้อสังเกตเท่านั้นนะฮะ เพราะุมปัญญาจริงๆไม่ได้เกิดจากท่านและท่านไม่อาจถ่ายทอดอะไรให้เรา่า้ครับปัญญาจริงๆนั้นผมเชื่อว่าซ่อนอยู่แล้วในตัวเราทุกคนครับเพราะจิตคือพุท ธ, ธะคำสอนท่านหรือของพระเจ้ามันเหมือนแสงสว่างที่ฉายเข้าไปที่ดอกบัวซึ่พร้อมที่จะบานการเผยแผ่ที่เป็นระบบไม่ใช่สิ่งจำเป็นครับตรงข้ามถ้ามีการจัดองค์กรจัดตั้งขึ้นนั่นกลายเป้า น, นมาทันทีครับ เรากรงล้อของสังคมจะทำให้เกิดการหมุนผิดจังหวะและเบียดเสียดกันเองไม่เชื่อลองจับตั้งองค์กรของพุทธทาสขึ้นเราจะพบอาสวะเกิดขึ้นทันทีอาสวะอันนี้เนื่องจากการรวมกลุ่ ม, มะนะครผมเชื่ความรับผิดชอบของเราน่าจะอยู่ลึกๆในตัวเราเองเพราะว่าเรารู้จักท่านเพียงใดเราต้รับผิดชอบด้เพียงนั้นเหมือนกับพ่อแม่จะสอนในรูป ร่วมรับผิดชอบในการงานสิ่งแรกต้องให้คิดร่วมด้วยให้ร่วมคิดด้วยโดยทั่วไปแล้วมื่จะบอกให้ลูกทําโดยไม่ต้องคิดร่วมเหมือนฉันฉันคิดได้เรียบร้อยแต่แกทำูปเดียวนั้นเด็กก็ไม่อาจรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับผมว่าประการแรกถ้าเป็นพ่อแม่อยากจะให้ลูกมีส่วนรับผิดชอบในครอบครัวก็ดีการงานก็ดต้องคิดร่วมกับเขาก่อนเมื่อเขาคิดร่วมแล้วเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเองครับถ้าเราอยากแค่ให้คําสอนของท่านอาจารย์ยังอยู่นะ เรพยายามศึกษานะครับจนกว่ากระแสความคิดของเรารู้สึกรู้สึกกันมาได้ว่าเป็นกระแสเดียวกับธรรมชาติแล้วเราพบว่าสักขีอของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงสำนักแต่อยู่ในธรรมชาติแท้ในตัวเรานี่นเมื่อพูดถึงธรรมชาติแท้นะครับผมเองชอบคํานี้มากกว่าคำว่าจิตว่างจริงสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นครับจิตว่างจากกิเลสอ่าสระแล้วก็จะแลเห็นธรรมชาติแท้ได้เอง ไม่เป็นต้องเราดวงตาของอาจารย์มาส่องถ้าดวงตาท่านมาส่องนะึ่งท่านจะบังเราทันทีครับเหมือนว่าเราไปที่เขาตะเกียบหรือเขาสำร่อยอดนะครัเราเป็นคนใหม่แล้วไปหาคนในท้องถิ่นหมอช่วยนำทางผมไปดูช่วงพระอาทิตย์ขึ้นผมจะดูให้เต็มตาทีทีถ้าคนนำทางเราคนไม่เข้าใจอะไครับพอพระอาทิตย์จะมังกรลำลายทะลุขึ้นอย่ง น, นหน้าแล้วอธิบายความรำของแสงอาทิตย์เนี่ยเขาก็บังเราหมดสิ้นเลยถูกไหมครับ ผู้นำทางที่ดีนั้นจะเตือนเราว่าคุณนั่งตรงนี้นะมุมนี้เป็นมุมกว้างที่สุดคุณอย่าง่วงอย่าหลับอย่าเผลอแล้วอะไรจะเป็นคุณจะเห็นมันไปตามคุณเองถูกไหมครับนั่นคือผู้นําทางที่ดีผมคิดว่าท่านอาจารย์ผู้นําทางที่ดีเราไม่ควรเอาโวหารท่านมาพูดซ้าแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกผ ม, ผ, ม ผ, มผมเคยผมเคยเคยสงสัยนิดหน่อยเพราว่ า, วาทำไมช่วงท้ายๆ ท, ท่านอาจารย์พูดซ้ำๆว่าอยาเห็นแกตัวอยาเห็นแกตัวอยาเห็นแก ท่านบอกคนมันกี่เลยต้องพูดอย่างนั้นนะครธรรมะนั้นนะครับมันเรามีทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมะนั้นไม่เกี่ยวข้องมากนักกับคําพูดและถ้อยคําแต่ธรรมะนั้นเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับธรรมชาติแท้ของเราเองความเป็นนะ ค, ความเป็นตั้งแต่เดิมทีครับดังนั้นคําสอนของท่านเป็นเหมือนดัชนีชี้หรือป้าย ือแผนผังอะไรที่ท ว, ว่าเราควรจะทําอย่างไรกับตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองกระจัดกระจา แ, แล้วเราก็จะเห็นลู่ทางเองที่ทําต่อเพื่อลมโลกเพื่อนมนุษย์ผมสรุปว่าเราไม่ควรที่จะกังวลการสืบทอดนะฮะเมื่อเกษรหวานโปรยไปทั่วสาธิตแล้วมันจะเติบโตเอ ง, เองถ้าว่าในนั้นมีมเมล็ดพันธุ์อยู่อาจรย์ครับอาจารย์ก็จะเห็นนั่นเอ ตเตียนะไรยความเข้าใจิตอะไรของตนเองกับไม่ต้องยู่ที่อาจารย์นะครับความเข้าใจเปนอื่นแต่ว่าผูสอาคนก่อที่จะเข้าใจป็นอื่นนะครับก็เป็นครับครับไม่ใ่คถามนะเป็นความเห็นึผมก็เห็นด้วยแต่ผมเพิ่มเติมนิดนึงครับครูอาจารย์นี่ก็สาคัญมากครับเอานับตั้งแต่อดีตการนานไกลนะครับที่ว่าสิ่งแรกในการแสวงหาทางจิตวิญญาณนั้นต้องแสวงหาครู พบครูแล้วก็เรียนแต่ว่าการพบครูนั้นมันอาจจะหมายถึงความหลงผิดก็ได้นะเนอะถ้าครูเราเขก็ใอะไรผิดติดอยู่แต่ถ้าว่าครูเราเข้าใจถูกนุ่นนองว่าเป็นโชคลาภแล้วครับเหมือนคนครั้งพุทธกาลเนี่ยเดินสัตเซพเนจรมาไปเจอพระเจ้าเข้าบางคนโชคดีบางคนโชคลายหนีเงี้ยนะพระเจ้าเองก็ถูกปฏิเสธก็มีครูต้อมีบทบาดเสมอครับที่พูดกันว่า เราจะไปที่จุดหนึ่งจุดใดนะั้นไม่จำเป็นต้องทางเดียวคดี น, นีครับเราไปได้หลายทางแต่ผมจะจะแสดง ม, ม, มตินะครับว่าแท็กซี่ที่ฉลาดที่สุดนะครับแล้วกรุณาที่สุดก็จะพาเราไปทางตรงที่สุดสั้นที่สุดเก็บตังค์น้อยที่สุดด้วยครับถูกเหมนกันเนะไปหลายทางเนะี่ยแต่บางทีมนไปหลงทางได้เหมือนกันในทรากลางนั่นเองครูยังมีบทบาทไม่เพียงแต่สะท้อนผมก็จครูเหมือนกระจก เรายิ่อยู่ใกล้ครูเท่าไรแทนที่เราจะรู้จักครูเราจะรู้จักหน้าตามเรามากขึ้นมาแล้าสองกระจกเนื่องจากเรามีปกติที่หลงง่ายครับในเส้นทางการภาวนาเนี่ยจะเต็มไปด้วยหลึงพลางแล้วทางแยกที่ทําให้เราลลหลงวุวุนเช่นพิติก็ดีสุกก็ดีหรือ แ, แม้แต่ยานครับเกิดขึ้นแล้วชวนหลงมากๆครับถ้าคนเคยผ่านการฝึกจิตภาวนาแล้วจะรู้ว่าไม่ง่ายเลยเท่าที่มี เล่พี่หรือครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์เรื่องหน้านะฮะผมเห็นด้วยนะครับว่าปฏิบัติธรรมนี่ต้องทําเองดังที่พระเจ้าบอกว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่ว่าผู้ชี้ทาง น, นี่สำคัญ น, นึกเหมือนกับว่าอ่าคนดีดังเราบอกว่าไปหยิบเข็มให้พ่อชิลุกอยู่ในบ้านนั่นแหละโอ้โหเหนื่อยเลยนะไม่รู้จะไปไหนก็้วต้องบอกอยู่บนโต๊ะเครื่องแต้งงางนชิมิดหนึ่งนะฮะ ถ้าความจําของท่านแม่นท่านไม่หลงหลืมนะงานเราจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับการสร้างความผูกพันกับอาจารย์นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คํานี้ผมวอาจจะติดฝรั่งบ้างนะครับเรื่อง Good Old Day ครับคือได้ลิกถึงเราลึกถึงครูที่เรารักนึ่นชื่อชื่อหลีนะผมว่านะฮะดีกว่าไม่มีครับ <Yep. S 1> พระพุทธเจ้าเองท่านจะรูร้แล้วนะครับท่า น, ทนจะต้องรู้ว่า พระพุทธเจ้าในวดีต ท, ทุกพระองค์เนี่ยต้องเคารพอะไรทักอย่างหนึ่งการอยู่โดยมีหลักไม่มีเคารพนี่มันว้าเหวเกินไปถูกไหมท่า น, นึกไม่ได้ก็เคารพธรรมครับแล้วก็ท่านเองก็พุทธจนเป็นกาน ย, ยาณมิตรของพระพุทธรูปอืการมีครูเป็นสิ่งที่ดีเป็นรสชาติที่พิเศษมากครับวันหนึ่งเราจะแก่เท่าเมื่อเราได้ระ ล, ลึกถึงครูผู้เฒ่าของเรานั้นมันเหมือนกระเวงประทีบเหล่านั้น เสมอไม่ถูกถ่ายทอดถ้าครยเรามีแววเมตตาดูนาเราแม้ว่าตัวเราก็คือตัวเราเนี่ยเราจะได้รับแนวโน้นเอียงที่ดีนะครับงั้นเรานั้นไม่เพียงมีศัต์จะทําเท่านั้นไม่เพียงแตเป็นสัจจาวิมลธรรมชาตินะเรามีสิ่งสมมุติยังมีแนวโน้นเองซึ่งคาหลังษณะที่สามารถเป็นประโยชน์แก่มนุษยได้ด้วยเช่นทิศสยายเรื่องฟัวเรอาร่นะคร เมื่อเราพบครูที่ดีครับเราก็จะมีมันด้วยเรามีหุ้นส่วนด้วยครับผมเชื่อพระสงฆ์วิบวตของพระสงฆ์ทั่วโลกนึงครับได้เขาเรื่องจากอิทธิบทของพระพุทธองค์มาไปรับอแนวโน้ม่างนี้มาแม้บางคนจะชฉงฉางบ้างแต่โดยทั่วไปเราพพระสงฆ์มิสัยดีนะครับเป็นเฟรนดี้เป็นมิตรกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยด้วยครับนั่นครูสําคัญมากครับพ่อแม่สําคัญมากแต่ว่าในเรื่องปรมาธรรมแล้ว จะให้คนนี้มันยืนบังข้างหน้าไม่ได้ครับกำลังมีคําพูดพูดผมค่อนข้างช็อกได้ยินครังแรกแต่ว่ารู้สึกดีมากครับเซนมีคํำกล่าวของเซนพูดว่าถ้าเจอพระเจ้าข่าท่านเสียไม่แล้วเดี๋ยวท่านสอนธรรมะให้แล้วจะไม่รู้ธรรมะเอาไงกายไม่ ร, รู้ธรรมะของพระเจ้าขึ้นฟังดูแล้วเหมือนถูกกระชากน้ำหัวครับพมาเปเจ้าแล้ว ขับการผลิตค่ะแต่เราต้องครูนี่ถ้าเข้าถึงธรรมไม่ต้องฆ่าครูแต่เครืงหลังเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยต้องคอรบครูดีชีวิตับเป็นครูคนเดียวเป็นบิดาช่วยชีวิตแต่เราจะเห็นด้วยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งถรรมนาตัวเองป็่เจ้าแทนจริง คำพูดประโยคนีนั้นเ้าต้องการจะเน้นเซนตต้องการจะเน้นว่าคำสอนที่ผ่านภาษาเป็นสื่อสมมุตินี้เป็นบุศัรด์ทั้งสิ้นเหมือนที่เรารู้ว่าพระนิพพานเป็นอวัยากระตะเป็นอัพยากริตเป็น unspeakable พูดไม่ได้สอนไม่ได้ดังนั้นถ้าพอที่ยินได้ฟังแล้วสติอ่อนจะเชื่อตามถ้อยคำแล้วก็หลงพลาดคาพูดที่ให้ข่าพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเองพูดว่า พรมเออยจงกลับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ซะด้วยมันเป็นรหัสลัทธิครับที่ว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่อาจาเข้าถึงได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีแลไรมายืนขวางทางเราอยู่บางครั้งพระเจ้ากนบอกว่าพ่อเป็นศัตรูแม่เป็นภัยรีของบุตรว่พ่ออยากใหไปทางนี้แต่ลูกเกิดจากปฏิบัติธรรมพ่อไม่ยอมแม่ไม่ยอมเอาแล้วเป็นศัตรูกันแล้วครับเราต้องพิณาแยกส่วนแล้วถึงทําความเข้าใจให้ญาบยนตนะไม่ใช่ถือเอา ตามถ้อยคำพี่ๆก็อันตรายเท่าน้ครับคิดพอเวลาหมดแล้วครับขอขอบพระคุณมากที่อยู่สารฟังครับ